เรื่องเหตุที่ผู้ฟังเทศไม่ยอมลุกหนีตลอด30กว่าปีที่ท่านพระอาจารย์มั่นแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทชาวไทยมาดูท่านจะแนะนำสั่งสอนแนวประโยชน์ทั้งสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นถือเป็นหลักสำคัญพอๆกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทุกครั้งแห่งพระธรรมเทศนาท่านจะไม่ละประโยชน์ทั้งสาม ทั้งอ้างที่มาในพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมไปพร้อมๆกันเศกของท่านที่ได้เขียนได้เล่าประวัติของท่านมักเล่าแต่หลักเป็นส่วนมากเขียนหรือเล่าปลีกย่อยน้อยมากแต่ศิทธ์เก่ากําลังจะเล่านี้จะเล่าทั้งเหตุและผลพร้อมทั้งที่มาที่ไปพร้อมๆกันพอเป็นการเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ผู้ได้ฟังเป็นที่ตั้ง ท่านพระอาจารย์จะแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมรรคผลนิพพานอันเป็นสัมปรายกัตถะคือประโยชน์ภายหน้าและประมั m a t คือประโยชน์สูงสุดก็ดีจะนำประโยชน์ทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบกับทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ แบบสัมพันธ์เป็นวงจรหรือวัตจักเสมอเพื่อเปรียบเทียบเหตุนี้ธรรมของท่านพระอาจารย์ผู้ฟังไม่ยอมลุกหนีถ้าท่านเทศไม่จบจะไม่ยอมลุกหนีเพราะชวนฟังตลอดและคล้ายเป็นของง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนำไปปฏิบัติก็เป็นผลประสบความสำเร็จจริงตามสมควรแก่การปฏิบัติ ขอกล่าวถึงอุปนิสัยและปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นก่อนผู้ล่อสังเกตว่าท่านมีความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจสัมพันธ์และพลานาไม้พร้อมมูลกล่าวคือมากน้อยสันโดษไม่ระคนด้วยหมู่สแสวงหาวิเวกปราลบความเพียรเที่ยวบินทบาตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลฉันหนเดียวในบาทและอยู่ป่าเป็นวัด เสมอต้นเสมอปลายจนท่านละสังขารปฏิปทาและวัดที่กล่าวมานี้ผู้เล่าเคยถวายความเห็นให้เว้นในวัดบางข้อเช่นชันหนเดียวท่านก็ไม่ยอมท่านบอกว่าหนเดียวก็มีค่าเพียงพอแล้วท่านมักยกเอาพระมหากัศปักมาเป็นอุทาหรณ์บ่อยๆท่านแสดงถึงประโยชน์สอง คือประโยชน์เป็นที่ไปพร้อมในเบื้องหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานท่านจะยกมาเปรียบเทียบกับประโยชน์ในปัจจุบันเปรียบด้วยการทำนาหวังผลคือเข้าสุขเพื่อใช้บริโภคท่านกล่าวว่าในปัจจัยสี่เหตุที่เอาผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเป็นข้อหนึ่งนั้นพอคนเราเกิดจากคันมาหลังจากชราระสะอาดแล้ว จะเอาผ้ารองรับก่อนส่วนสามอย่างคือเศรษฐกิจปัจจัยอื่นและครอบครัวจึงตามมาท่านว่าปัจจัยสี่สำหรับบรรปชิตพระพุทธเจ้าทรงถือเป็นพื้นฐานของมรรคผลธรรมวิเศษที่พระองค์ตรัสรู้ตลอด45พรรษาที่ตรัสเทศนาแก่พุทธบริษัทจึงทรงแสดงเป็นเอเนกปริยาย ทั้งพระสูตรพระวินัยและพระอาภิธรรมสำหรับข้อเรือหัดนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งคุณและโทษดังสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงแสดงไว้ในหนังสือนวะโกวาดภาคิหิปฏิบัติตั้งแต่จตุ ก, กะคือหมวดสี่ถึงชักกะคือหมวดหกอยากรู้รายละเอียด โปรดคนดูได้ในหนังสือนววโกวาดจะกล่าวตามแนวท่านพระอาจารย์มั่นพอเป็นตัวอย่างพูดทำนาจะได้ผลคือเข้าสุขนำมาบริโภคอย่างอร่อยอิ่มนํำสำราญพร้อมบุตรและภรรยานั้นเริ่มตั้งแต่การไถหวานต้องมั่นเอาใจใส่เมื่อปักดำแล้วก็คอยดูแลคณนาน น้ำหญ้าที่เป็นศัตรูข้าวแล ะ, มะแมลงต่างๆโดยน้ำอย่าให้ขาดท่านพูดเป็นคําพังเพยว่านาน้ํารัดนาน้ําล่วงนานหมาเห่าเมียหมายความว่านาที่คันนาขาดคันนารั่วน้ําไม่มีขังอยู่ข้าวก็ไม่ได้ผลข้าวไม่พอกินอดอยากข้าวเมียก็หาของฝาก ยุคโบราณมีใต้ชาวอีสานเรียกว่ากระบองคือขี้ใต้มัดรวมกันสิบท่อนเรียกว่าลืมกระบองนำไปแลกข้าวบ้านอื่นหมาก็เห่าจึงกล่าวว่านาหมาเห่าเมียเพราะนาขาดการดูแลข้าวจึงไม่พอกินอันนี้เป็นเรื่องความเจริญในแบบเศรษฐกิจครอบครัวส่วนเรื่องความเสื่อมทางเศรษฐกิจ ท่านแสดงไว้ว่าอิทีทูโตสุราทูโตอัคขาทูโตปาปมิตโตจะโยนิโรลัทธังลัทธาวินาเสติความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงการพนันการเป็นนักเลงสุราการครบคนชั่วเป็นมิตรผู้ใดประพฤติชเช่นนี้ทรัพ์ที่ได้ก็จะเสื่อมไปท่านเทศอย่างนี้บ่อยๆขอเล่าพอสังเขป